ความเข้าใจซึ่งกันและกันในเง่ของการปฏิบัติเพาว่าปฏิปฏินี่ันีกว่าปฏิบัติแปลว่าออกออกกาความชั่วทั้งหลายออกกาความผิดทั้งหลาย เราเริ่มออกผู้มีสติเป็นผู้ออกจากความชั่วทั้งหลายสติเป็นบ่อนเกิดของความดีทุกอย่างเกิดจากสติความชั่วทุกอย่างมันก็มีบ่อนเกิดเหมือนกันมันเกิดจากความหลงความหลงนี่เป็นบ่อนเกิดของความผิด ของความชั่วของกิเลสทั้งหลายคือความหลงนั้นระหว่างสติเป็นบ่อนเกิดของความดีของกุศลทั้งหลายระหว่างความดีความผิดกับความถูกสติกับความหลงนี่เราพยายามดูมันให้ดีความหลงนี่มันเกิดมาก่อน สตินะความผิดเนี่ยมันติดตัวของเรามาตั้งแต่นานแล้วติดมาตั้งแต่เรารู้ภาษาคนมามันติดของเรามามันเป็นมิดของเรามาแต่ก่อนเพราะดังนั้นเราทำไมว่ามันเป็นมิดคนเราทุกคนเนี่ยเราจะอยู่สองอารมณ์ ภาษาพระบอกว่าอิทธาลมหนึ่งอนิธาลมหนึ่งภาษาบ้านเราเนี่ยเราอยู่กับความพอใจหนึ่งกับความไม่พอใจหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่สองอารมณ์นี้อยู่มาแต่ไหนแต่ไรมาหลงพ่อก็เป็นอย่างงั้นไอ้ที่อารมณ์ไม่ผิดไม่ถูกเนี่ย ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยดังนั้นเราที่หลวงพ่อคําเฉียนสอนพวกเราเนี่ยให้เหนือผิดเหนือถูกตรงเนี้ยตรงเหนือผิดเหนือถูกเนี่ยคําพูดคํานี้เป็นอภยากาตาธรรมเป็นธรรมกลางๆผิดก็ไม่ใช่ถูกถูกก็ไม่ใช่ ผิดก็เป็นเป็นโทษถูกก็เป็นโทษโทษของความหลงไอ้เนื้อผิดเนื้อถูกนี่อยู่ตรงไหนเรามาคลำหากันเรามาหาบอ่บอนบ่อนอยู่ของเราไอ้ที่เนื้อผิดเนะถูกนี่สังเกตเด้อเราสังเกตดู เรายกมือขึ้นทีหนึ่งทีหนึ่งนี่เรารู้ตัวรู้ตัวเนี่ยเป็นตัวเหนือผิดเหนือถูกแต่เดี๋ยวนี้พวกเราตัวรู้ตัวเรายังไม่เต็มรอยเปิดเทินมันยังมีผิดอยู่มันยังไม่ถูกอยู่เราก็พยายามหาจุดหาจุดหาที่อยู่จนมันเหนือผิดเหนือถูก ถ้าเนื้อผิดเนื้อถูกเราก็ช น, นะเราก็ได้ใช้ช น, นะดังนั้นก็ความเหนื้อผิดเนื้อถูกนี่เราเราสังเกตเราสังเกตไปด้วยอย่าทําซื่อคำว่าเจเริญสติเนี่ยนะเราอย่ายอย่ายกมือขึ้นเฉยๆให้สังเกตว่ามันรู้จริงๆไหมมันรู้ชัดไหม แต่ถ้ามีตัวรลชัดที่มันมีผิดมันมีถูกไหมมันเป็นกลางๆลางไหมสังเกตไปด้วยทำไปด้วยยาฉลาดเฉยๆให้เฉลียวใจไปด้วยอืมเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกดีเดินโยกมืออยู่เนี่ยความชิดมันไม่มีเด้อที่มีความผิดชิดมาปรุงตัวสติเราไม่ชัดเจนเอง ส ต, ติเรายังไม่ไม่ถึงร้อยเปเซ็นน้ำหนักน้ำหนักมันยังไม่พอเราก็พยายามใส่ใจตั้งใจทำไปเรื่อยสตินี่ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำวันนี้จะได้ได้สติร้อยเปอร์เซ็นเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเริ่มได้ไปตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซนไปแล้วหนึ่งเปอร์นสองเปอรเซ็นสเปอร์เซ็นสามสิบสี่สบห้าสิบไปเรื่อย พอถึงห้าสเปอร์เซ็นเนี่ยตรงเนี่ยพอสติเราถึงห้าสเปอร์เซนเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นระหว่างความรู้กับความหลงเนี่ยเราจะเห็นแล้วแต่ก่อนเราไม่เห็นเราไม่รู้มันจะปนกันอยู่แล้วก็มีสติแล้วก็หลงแล้วก็มีความรู้สึกเดียวก็มีความหลงมันจะมีความเพดรมันจะมีความถูกอยู่ แต่พอเราได้สติทั้งห0สี่เปอร์ซ็นเราจะเห็นแล้วโอ้นี่หลงแล้วมอกี้ลงไปแล้วโอ้นี่ถูกมิสติแล้วถูกแบ่งมันจะแบ่งแล้วมันจะแบ่งความเห็นเราใหม่ๆกันแล้วเมื่อแบ่งความเห็นใหม่ๆแล้วก็ไอ้ผิดเนี่ยเราจะไม่อยากครบราจะแสงหาตั้งแต่ตัวถูกก็ตัวสติเราเริ่มต้นความรู้สึก ของตัวเราจะค่อยมากขึ้นแล้วความรู้สึกของเราและการกระทำของเราจะค่อยเห็นมากขึ้นมากขึ้นพอมีสติมากขึ้นจิตของเราก็สงบลงนิว่าเรา ท, ทั้งหลายก็จะค่อยห่างเราออกไปห่างเราออกไปจะค่อยห่างยิ่งห่างยิ่งเพลินยิ่งห่างยิ่งมีอารมณ์มีอารมณ์มาร่วมยิ่งเพลินทาไปเพลินไม่เน็ดไม่เหนื่อย แต่การทั้งเน็ตทั้งอะไรทั้งคิดทั้งพุงทั้งแตะพอได้หลากนี่มันเป็นเขามันไปเป็นกระเพิ่อนไปทําไปเพิน่นไปทําไปวันที่สุดพ่อสติเรามากขึ้นมากขึ้นไปหกสิบเจ็ดสิบเปอรเซ็นก็ยิง่งเย็นลงใจแล้วก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงโอ้นะมันค่อยเหนือไปเอง ตัวสติของเราเนี่ยมันเหนือผิดเหนือถูกเนะี่ยมันเหนือจริงๆนะแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่ผิดไม่ถูกอยู่ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทําไว้ก่อนแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันเหนือผิดเหนือถูกเป็นยังไงนะไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันโคบา้าอาจารย์มาสอนก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเราได้สัมผัสเอาเองนี่การเจริญสติ ที่ครูว่า จ, จะอาจารย์สอนเนี่ยหรือหลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นสมมุติบัญญัติเป็นเพียงสมมุติพูดให้ฟังเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปสัมผัสเอาเองนั้ลักษณะนะปณมัติบัญญัติมันเป็นของจริงที่มีอยู่แล้วในจิตของเราทุกคนอันนั้นเราเรียนเอาไม่ได้ปณมัติบัญญัติเรียนเอาไม่ได้ อ่านเอาไม่ได้จำเอาไม่ได้ส่วนสมมติบัญญัติเราเรียนเอาเราจำเอานี่เราชิดเอาก็ได้ตัวปรมัาบัญญัติต้องสัมผัสเอาเอาจิตไปสัมผัสกับสติแต่จิตแต่ก่อนจิตมันสัมผัสกับความหลงเดี๋ยวนี่แล้วเอาจิตมาสัมผัสกับสติ หพ่อตั้งแต่พูดแต่ครางต้นว่าสติเป็นบ่อนเกิดของความดีทั้งหลายความหลงเป็นบ่อนเกิดของความชั่วทั้งหลายแล้วจิตมาสัมผัสกับสติพอจิตมาสัมผัสกับสติบ่อยๆมันก็วางความหลงไปเองตัวลู่บ่อยๆตัวสัมผัส บ, บ่อยๆคือตัวภาวนาภาวนาคุรุบ่อยๆ รู้เลยเลยเห็นเลยเลยนี่คือภาวนาภาวนาไม่ใช่บริกรรมก่อนลองพ่อเข้าใจว่าภาวนาคือบริกรรมเช่นยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอหรือพุทโธพุทโธนึกว่าอันนั้นเป็นภาวนาอันนั้นเป็นเป็นบริกรรมไม่ใช่ภาวนา ภาว น, นาคือรู้บ่อยๆรู้ เ, เรื่อยเรื่อเบื้องต้นเราทั้งมีอุบายให้ลูกกายเคลื่อนไหวเข้ามาเจริญสติเจริญกายานุปัสนาให้เรามีสติมารูก้กายเคลื่อนไหวนี่เป็นเบื้องต้นนี่คือภาว น, นาเรากายเป็นหลักเรากายเป็นฐานเอาสติมาโลเทกกายแเราหัดสติ หัดจิตเนี่ไปอยู่กับสติเพราอาพาะพอเรามีสติรู้อยู่กับกายนั่นคือเราหัดแล้วหัดจิตไปอยู่กับสติแล้วดึงจิตออกมาจากความหลงมาอยู่กับสติตัวสติจะดึงจิตออกมาเองขณะที่เรามีสติเนะี่ยโอ้จิตเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแล้วจิตมาเป็นอยู่กับสติแล้วเราจะเห็นเราจะเห็นเราจะรู้จะสัมผัส นั่นเริ่มแล้วเริ่มเราเริ่มเห็นความหลงห้าสิบเปอร์เซนต์จิตใจห้าสิบเปอร์เซ็นเราเริ่มเห็นความหลงแล้วเริ่มเห็นแล้วถ้าเขาเห็นความหลงเนี่ยคขนั่นจะดูดดื่มในอารมณ์จะไม่ลืมแม้ว่าลราเราวางไปเรามาอ ย, อยู่ที่นี่หกวันเจ็ดวันเราได้ไปแล้วสติแต่พอมาถึงบ้านถึงที่ทําการทํางานนะ่อาจจะลางไปก็ได้ อาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ลืมเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ทิ้งการปฏิบัติและการกาหนดรู้เนี่ยเราจะไม่ทิ้งเหตุที่เราไม่ทิ้งเพราะอะไรเพราะเราเห็นจุดแก้ปัญหาของคีวิตปัญหาของกิจปัญหาของอารมณ์เพราะทุกมาเนี่ยพอเกิดความทุกขเข้ามาเนี่ยเราจะคิดเห็นแล้ว โอ้ทางออกเรามีอยู่ด้คือจเจริญสติมาเดินนำกน้นมาสร้างกังว่ามากาหนดสติขึ้นที่อารมณ์ที่เกิดมันจะค่อยๆออกคายออ ก, ออกถึงมันไม่คลายเดี่ยวนั้นแล้วก็ทำหลายๆข้างเขามันก็จะค่อยๆออกวางออกพางออกงั้นเราจะเห็นแล้วไม่มีที่แก้แล้ว ม, มีที่ที่ยึดมีหลักดังนั้นให้เราทำให้ถึงก่อน ถ้าไปถึงจุดให้มันเหนือก่อนเหนืออารมณ์ก่อนในตอนที่เราจะเหนืออารมณ์เนี่ยเหนือผิดเหนือถูกเนี่ยตรงนี้มันมีปัญหาอยู่ดูว่าปัญหานี่เยอะแยะปัญหาเยอะแยะปัญหาหลายอย่างก่อนที่เราจะข้ามตรงนี้ได้ไปถึงจุดที่โอมันเหนือเหนือแล้วนี่เหนือเหนือความผิดเหนือความถูกแล้ว เหตุทเหนืออะอะไรมันตัวรู้มันเหนือผิดเรารู้แล้วเราไม่เป็นผู้ผิดรู้รู้เท่านี้ก็มันมันก็จบมันก็ผ่านแต่ก่อนมันไม่ผ่านเราเป็นผู้ผิดอ่ะเช่นลราโกรธเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้ไม่พอใจแต่ถ้าเราเหนือแล้วเนี่ยรู้เลยโอนี่มันพอใจ ดูกิจได้เลยดูกิจ ด, ดูใจดูอารมณ์ได้เลยโอ้นีไ่ไม่พอใจไม่พอใจมันวางไปเดี๋ยวนั้นดีแล้วดีแล้วเหนือแล้วแต่ใหม่ๆมันจะไม่มันจะไม่ได้ทุกทีก็ช่างวันไหนเรามีอารมณ์ดีเราปฏิบัติได้ดีๆวันนั้นหรือเวลานั้น มันจะสลัดอารมณ์ได้ง่ายมันจะเหนือมันจะเหนืออารมณ์ได้เหนือแล้วเหนือสุขแล้ทุกข์แล้วเหนือแล้ววันไหนที่มันเราคุกขี่คุกขีกับหมูกับเมด็ดหรือกับการกับงานวันนั้นมันมันจะเสียไปบ้างแต่ว่าเราพยายามดูไปมันจะไม่ยาว ความชิดเราจะไม่ยาวความผิดจะไม่ยาวความผิดความชิดของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันไ ม, ไม่ไม่หมดพอเห็นความชิดแล้วเนี่ยท่านบอกเห็นความชิดความชิดทำอะไรไม่ได้ก็มไม่ใช่ว่ามันไม่ชิดเลยมันก็ชิดอยู่แต่เรารู้หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราเนะี่ะมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้ มันชิดรอยเปอร์เซนแล้วมันชิดรอยข้างแล้วรูดข้างหนึ่งมันเหลืออยู่เก้าแต่เก้าข้างมันไม่ใช่ไม่ชิดแต่ว่าความชิดเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้เหมือนงูไม่มีพิษงูไม่มีพิษเราก็ไม่กลัวความชิดที่มันมีสติบังคับมันมีสติเป็นอ่าเป็นผู้กลอง มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์กัาเราแตว่าสติก็เหนือมันเหนือแล้วเกิดมาที่ไหนเหนือทุก ท, กทียิ่งอยากให้มันเกิดเรายิ่งอยากจะรู้ความผิดอยากให้มันเกิดความถูกอยากให้มันเกิดมันหลงไปกับอะไรบ้างเราอยากแคกเราอยากดูว่าเราแก่กล้าหรือยังอินทรีย์ลราแก่กล้าหรือยังสติลรแก่กล้าไหม เราก็จะค่อยศึกษาไปเรื่อยๆคำไปเรื่อยๆไมไ่เอาเหตุเอาผลไม่เอาที่อื่นศึกษาจากจากกายจากใจอรูปธรรมรูปธรรมคือกายเป็นตำลาเอาน้ำพัธรรมคืออะไรคือใจเป็นตำลาเป็นที่ศึกษาเอากายนี่เป็นเหตุเอาสติ มาคำดูที่กายมาลงมาลงรู้มากาหนดรู้ที่กายค่อยค่อยเรียนรู้ตรงนี้กายนี่โอ้มีกายมันก็มีเวทนามีกายมันก็มีเวทนาเด้แต่ก่อนเราทุกพเวทนาเดือดอร้อนเดือดร้อนบุ้นวายสับสนพเวทนาเด้มันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันละมันหิวมัหายอะไรหนามันร้อนเวทนาทางนั่น โอ้มีกายก็มีเวทนาดิแต่ก่อนมันมันไม่เดย์นะแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างงั้นมันทุกไปเพราะเวทนาไปหมดเนี่พระโอ้มีกายก็มีเวทนาคำไปจากกายเห็นเวทนาเลยเวทนานี่มันทำให้เราเห็นเห็นทุกข์ทำให้เราเห็นทุกข์ทุกเบื้องต้นคือเวทนานอกเวทนาของกายคือทุกเบื้องต้น หลวงมาเทียนสอนนี่บอกว่าทุกให้กําหนดรู้เนี่ยสมุทัยให้ละมักให้เจริญอันนี้เป็นคําโพูดคําสอนของท่านแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเราไปเรียนจากตําราเนี่ยทุกให้กําหนดรู้เด้อจาได้ทันทีหลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้เราจำได้เลยทุกให้กําหนดรู้แต่ว่าถ้าทุกเกิดขึ้นจริงๆนะเรากําหนดรู้มันผ่านหรือไม่ เรากำหนดลูกมันจะไม่ผ่านเราจะเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้าสติเราเรามั่นคงแล้วนะเรากำหนดเพราะทุกข์เกิดมนกำหนดดูแลโอ้นี่มันทุกข์เกิดแกเราแล้วเรามองไปโอ้ไม่จะทุกข์เกิดขึ้นไม่จะทุกข์ตั้งดูไม่จะทุกข์ดับไปทุกข์ของกายนี่ทำให้เราหลงเรื่องของกายนีย่ทำให้เราหลงเยอะแยะหลงเลยมากมายกายกอง อาการสารไปสองเนี่ยทำให้เราหลงทั้งนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยเป็นประโยชน์แกเรามากเป็นประโยชน์แกเรามาหาศาลถ้าเรารู้ทันเราเอาอาการสารไปสองเอาตัวของเราเป็นตำราเอาสติมาเรียนรู้นี่เรื่องของกรรมฐ า, านไม่ใช่หลักวิชาการเอาสติมาประกอบเนี่ยเราจะเห็นทันทีเห็นความหลงทันที การทำให้เราหลงเนี่ยอะไรบ้างตาเนี่ยทำให้เราหลงไหมตาเห็นนั้นเห็นนี่ให้เราหลงเนี่ยนี่ถ้าเราสติไม่ดีมันจะหลงทันทีหูทำให้เราหลงหรอเปล่าผมเส้นหนึ่งทำให้เราหลงไหมถ้ามันงอกเราหลงทำไมนี่มีแต่สิ่งที่ให้เราหลงถ้าเราไม่มีสติดูไม่ทัน ดูไม่เป็นกายเนี่ยเป็นแผนที่เป็นสนามสนามลบของเราแล้วลบกับแล้วรบกับกิบกเลยเรียนลงไปศึกษาลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องของกายหลงมากมายถ้าพอมีสติความงามความสวยเนี่ยแต่ก่อนทุกคนจะมีความงามความสวยหมดพอถึง ขนาดหลวงพ่อไปในหมดความสวยความงามมีฟันก็ทำให้เราหลงเนีย่ยมีอะไรมันอาการสารซองทำให้เราหลงหมดแต่ถ้าเรามีสติทำให้เราลู่หมดอีกตัวลู้หมดเนี่ยกำหนดลู้ทันเนี่ยตัวนี่คือตัวปัญญาไม่ใช่ปัญญาเหตุผล ไปเรียนเอาไปไม่ไม่ใช่ตาําราสมมติบัญญัติเป็นปัญญาปรามาัดบัญญัติเราเห็นเอาเองเรารู้เอาเองไม่ใช่ไม่มีใครบอกไม่มีใครเรียนไม่มีใครมาสอนเราสอนตัวเราเองเราเรียนตัวเราเองนี่คือหลักคือหลักกรรมฐามนแม้นเราจะบอกคนอื่นหรือครูบาอาจารย์มาบอกก็เป็นแต่เพียงสัญญา ไม่ใช่ปัญญาถ้าเราทําเอาถ้าเราปฏิบัติเอานี่นี่คือตัวปัญญาสินสมาธิปัญญาเนี่ยนะไม่ใช่อธิษฐานศินนี่ไม่ใช่อธิษฐานเอาทินสร้างเอาให้เกิดสินนี่ไมสินห้าสินแปดสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็ดอันนั้นสินอธิษฐานอธิษฐานเอาสมาทานเอาอันนั้นสินสมาทาน เราสมทานเอาแล้วแต่ว่าสินสมาชิกปัญญาเนี่ยสร้างเอาสัมผัสเอาจากจิตจิตมันเป็นปกติโอ้นี่สินเกิดแกเราแล้วจิตมันมีสินจิตมีศินแล้วเนี่ยไม่ใช่กายไม่ใช่ถ้าจิตมีสินกายก็มีวาจาก็มี กิตมีสินกิจมีสติสติมันเต็มแล้วเนี่ยสติจะรัผิดชอบสติจะรัผิดชอบวาจาสติจะรัผิดชอบกายแต่ก่อนเรากายไม่มีไม่มีสติรัผิดชอบวาจาไม่มีสติระผิดชอบกิตก็ไม่มีสติระผิดชอบแต่พอมีสติสติจะลัผิดชอบ กายว่ า, จาใจใจโอ้สินเกิดใจเราแล้ ว, ลวนี่สมาธิก็คือจิตมันเป็นรับอารมณ์ทางนอกไปรับอารมณ์ทางในมาปรุงกิตให้เศร้หอ ง, วงนี่ก็ทตัวสมาธิคือแปลวัดเขาแปะท่านแปลไว้ในบาลีตำลาวาไปตั้งแกมันเนี่ยสํารวมกายว่าใจาให้เรียบร้อยชื่อวาสินนี่ ความตั้งแกมมนเยวธรตมาที่รอบรูนะ้ในกองสังขารเชื่อว่าปัญญามีปัญญาตัวเดียวเนี่ยคุมไปหมดคุมศีลคุมสมาธิไปหมดดังนั้นหลักของอริยมรรคองแปดเนี่ยนะท่านจะเอาปัญญาขึ้นก่อนสมาธิคือความเห็นถูกเนี่ยตัวเห็นตัวเนี่ย ถ้ามีตัวเห็นถ้ามีตัวสตินี่เออคุมทุกอย่างแต่หลักของปริยัตินี่ท่านจะเอาสินขึ้นก่อนสินสมาธิปัญญาแต่ละตามตำหลักอรยามาองคแปดเอาปัญญาขึ้นก่อนปัญญาสมาธิสินนี่ปัญญาจะเป็นก่อนจะลูกก่อนปัญญาเลยมมาจากไหนเรียนเอาตรงไหน ไม่ได้เรียนสัมผัสเอาเราสร้างกังวะรู้รู้ตัวเนี่ยตัวสภาวะที่รู้เนี่ยเป็นธาตุรู้เรามีอยู่หกธาตุแต่เราใช้เพียงแค่ธาตุสี่ธาตุสี่ม่ดินไ่หน้ำม่ลมม่ไฟเนี่ยเรารู้อยู่ล่ะแต่ว่าธาตุที่ห้าคืออากาศต่ธาตุธาตุ ท, ท, ท, ท, ที่หกเนี่ย วิญญาณแต่ธาตุนี่วิญญาณกับแปลบแล้วคือธาตุรู้ตัวนี้เรามีอยู่ทุกคนพระเจ้าพระสงฆ์ญาติยมผู้หญิงผู้ชายมีอยู่หมดธาตุรู้ตัวนี้ธาตุรู้ตัวนี้พอเราไม่มาให้ความสําคัญตรงตัวนี้พอธาตุรู้ตัวนี้จเจริญข้องงามขึ้นก็แปลไป เปลี่ยนไปเป็นยานเป็นฌานเปลี่ยนไปเองดังนั้นเรามาให้ความสำคัญธาตุรู้ตัวนี้คือการเจริญสติเนี่ยตัวนี้เราบกพ่องตรงนี้ธาตุพุทธพระาแปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานมีในใจเราทุกคนแต่เราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแต่สภาวธ า, าตุรู้ตัวนี้มีหมดมีหมดทุกคน การเจริญสติแล้วรวมมาตรงนี้รวมให้ความสำคัญท่านรู้ตัวนี้เท่านั้นเองถ้ามีสภาวะตัวนี้แล้วตัวอื่นจะมาหมดท่านรู้ตัวนี้ตัวรูตว้ตัวสติกับตัวรู้อันเดียวกันถ้าเรามีตัวนี้แล้วเนี่ยอย่างอื่นจะมาเป็นเป็นมารวมตรงนี้เหมือนแม่เหล็กถ้าเรามีแม่เหล็กเนี่ยเล็กเล็กเล็กน้อยน้ำจิจดแหลวิ่งเข้ามาหา แม่เหล็กหมดธาตุรู้ตัวนี้เราสร้างขึ้นสร้างขึ้นสินสนมาทิปัญญาธรรมทุกข้อจะมารวมตรงนี้อันจุดรวมของการของกรรมฐานของการเจริญสติภาวนานราลัวเราลวัาล ว, ล ว, ลวมมาตรงนี้ให้ใช่ชีวิตกับสติกับความรู้สึกตัวตัวนี้ตัวนี้ตั้งความเห็นความสําคัญตัวนี้โอ้ธาตุรู้ตัวนี้ เราไม่เคยให้ความสำคัญเลยคนทุกคนทิ้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เอามาเป็นประโยชน์ทึงของดีมีตัวเราแท้ๆเราไม่เอามาเป็นเป็นประโยชน์เลยแต่พอเรามาสร้างขึ้นเห็นผลเห็นประโยชน์นี่เห็นผลเห็นประโยชน์เห็นความผิดเห็นความถูกเห็นความไม่ผิดเห็นความไม่ถูกก็คออยู่ตรงนี้นี่ตรงเหนือแล้ว ตัวรูตว้ต้นต้นเหนือทุกอย่างคือสภาวะธาธตุรู้ตัวนี้คือวิญญาณธาตุตัวนี้ดังนั้นขอให้เราทุกคนมาทําให้ถึงจุดนี้เราจะได้รับอานิสง์ของการเจริญสติเองเห็นอานิสง์เกิดขึ้นแก่เราเองเริ่มาตรงนี้ดันั้นวันนี้เทวังพ่อให้ขอชิดคมเห็นมาก็เห็ น, นจะสมผลจะเวลาแล้วขอจบลงคงไม่เพียงเท่านี้ทยนนี้ของเราทั้งหลายต้องตั้งใจปฏิบัติให้ลูกแก่งเห็นจริงในสัจธรรมคําสอน ความััธยสา์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเดีกันทุกคนทุกท่านเธอ